เดีววันนี้พูดถึงในเรื่องของการที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ย เ, ยเริ่มตั้งปรารถนาเริ่มตั้งความปรารถนาตอนที่เป็นสุมเมธาดาบทที่ปรารถนาในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนาะนี่เราโดยสรุปเลยนะว่าพระพุทธเจ้าในทรงบำเพ็ญบารมีมาค่อนข้างมากใช่ไหมแต่วาตัดสินใจในกรณีของการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าและได้รับพยากรณ์ได้รับพุทธพยากรณ์ ครั้งนั้นน่ะท่านสุมเมธเนี่ยสุมเมธท่านเนี่ยเกิดในตระกูพลพราหมณ์ในเมืองอะไรเมืองนคร อ, อมอรวดีอมาราวดีกันมีทรัพย์สมบัติหลายโกรธเป็นผู้คงคงแก่เรียนมากก็คือเป็นให้สังเกตดูนะว่าพระโริษัท์แต่ละอัตภาพเนี่ยโดยมากจะเป็นงนใฝ่รู้ไปเรียนไฝ่ศึกษาไฝ่สร้างสรรค์ฝ่ฝึกฝนพัฒนา จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้คงแก่เรียนทรงจํามนจบไตรเพศด้วยไตรเพศก็คือคัมภีร์ของพรามในยุคนั้นแหละคัมภีร์ของพรามนี่เขาจะครองคองโลกมาอยู่แล้วก็แปลว่าเป็นผู้ที่จบคัมภีพระเวศพระเวศสประการเขาเรียกไตรเพศไตรเพศคัมภี์ที่ครบถ้วนในยุคนั้นแหละเขาจะเรียนทางด้านของ คำพีของพราหมณ์นี่แหละคำเวทเวทะเวทะในที่นี้หมายถึงคันถา่าหรือคำภีรหมายถึงคำพีนี่แหละก็มีมฤคเวทนี่นั่นก็คือเวทที่ว่าโดยการสวดสารเสริญถ้าเป็นยะชุระเวทก็คือเวทที่ว่าโดยการบูชายันอันนี้เป็นบทคำร้อยแก้วถ้าสามาเวทก็เป็นบทสวดอันนี้นํามาจาก มารด์ข้าเวทนั่นเองและใช้ในพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นเรื่องของข้าเวทที่พระโพลิต์เนี่ยเวลาท่านเกิดในตระกูลพรามท่านก็จบไตรเพีคนจบไตรเพียเนี่ยถือว่าสูงสุดแล้วแต่ถ้าในพุทธศาสนาต้องจบสามเหมือนกันเขาเรียกว่าไตรวิชาวิชาสามเคยได้ยินหมหนึ่งปุเพนิวาสารุสติยานฝึกจนสามารถมียานปัญญาและลึกชาติทุนหลังได้อย่างเจ้านเนรแชมป์เนี่ย พอได้วิชาตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะสามารถระลึกได้เลยว่าชาติที่แล้วเป็นอะไรมาระลึกปุ๊บปุ๊บระลึกได้หมดเลยรื ล, ลึกเป็นละล้านอัตภาพหลายล้านอัตภาพสามารถรู้เลยมีชื่ออะไรมีโคตรยังไงเกิดในตระกูลสีผิวยังไงว่ากั้นเถอะมีอาหารประเภทอย่างไรเป็นต้อนอนี้สามารถรู้ได้เป็นหลายละล้านชาติเลยนี่เขาเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานนี่วิชาที่1นึ่ถ้าวิชาที่2องก็เรียกว่าจุดตัวปปารตยาน รู้อะไรรู้จิตติรูปปฏิสันที่รู้การเกิดการตายของสัตว์ใครได้วิชานี้ในพุทธศาสนาไปเนี่ยจะรู้เลยว่าเนี่ยทำกรรมอะไรไปเกิดเป็นอะไรทํากรรมอะไรไปเกิดเป็นอะไรรู้หมดในอนาคตจะไปเกิดเป็นอะไรก็รู้ที่ผ่านมาก็รู้หมดไม่ใช่รู้ของตนเองรู้ของสัตว์อื่นเขาเรียกรู้การตายรู้การเกิดมาจากกรรมดีกรรมชั่วยังไงเป็นตัวให้ผลยังไงเนี่ยนี่คือวิชาที่2องวิชาที่3คืออะไร วิชาที่สามเขาเรียกอาสวะคยายานเป็นปัญญาที่สามารถทําลายกา ม, มาสวะเป็นต้นกิเลสเนะี่ยให้หมดสิ้นจากขันธ์สันดานโอ้โหนี่หมดเลยเ <c oughs> นี่ยวิชาของพระพุทธเจ้าก็มีสามใช่ไหมคำพ้อพีพวกพรา ม, มก็มีสามอย่าง <c oughs> ก็มีพวกไอ้มือึกขเวทยาชูระเวทแล้วก็สามเวทพระพุทธเจ้าบอกว่าของพระพุทธเจ้าก็มีสามเหมนะือนกัน บทเพลงนี่ว่าสารนุสติยานจื่อตูปปาติยานอาสวะกิยายอยากจบวิชานี้ไหมพอจบวิชานี้เขาเรียกว่าจบเรียนจบในพุทธศาสนาแล้วได้วิช า, ยยานี้เออตรงเนี้ยสุเมธาดาบทเนี่ยท่านจบไตรเพศและต่อมาบิดามันดานท่านตายในขณะที่ยังวัยหนุ่มอยู่พ่อแม่ตายเห็นสังเกตดูนะพ่อแม่ตายเขาทำยังไงแชมปสังเกตดูนะพอพ่อแม่ตายปุ๊บ ผู้จัดการผลประโยชน์นําบัญชีทรัพย์สินที่มารดาบิดาสะสมให้ดูปุ๊บสุเมธัณฑิตรู้จํานวนทรัพย์สินแล้วก็มีความคิดว่าเอี๋พ่อแม่บิดาปู่ตายายยายสะสมซับไว้เออเนี่ยบุคคลเหล่านี้สะสมซับไปเยอะแยะหมนบนแผ่นดินเนี่ ย, สสยแต่ไม่มีใครเอาไปได้สักบาทเลยคือไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เข้าใจไหมมองออกไหมเนี่ยพ่อแม่บิดามารดาเนี่ยตาย แล้วต่อมารับสมบัติเนี่ยก็ทิ้งไว้ไม่มีคนดูแลต่อคนดูแลซับก็มารายงานให้รับบอกว่าเนี่ยบิดาปู่ของเราสะสมรับไว้ท่านไม่อาจนำไปได้แม้เพียงเหบาทเดียวท่านก็เลยคิดว่าเอ้ตัวเราเนี่ยควรจะสร้างเหตุในการนำรับคือกุศลติดตัวไปดีกว่าวันหนึ่งสุมเมธาบัณฑิตนั้นก็นั่งอยู่บนปร า, าสาททุกตนอยู่เดียวก็คิดว่า ในการเกิดเนี่ยในพบใหม่เนี่ยเป็นความทุกข์ไปเกิดก็ทุกข์อีกทรมานอีกการแตกทําลายไปแห่งเซลล์ร่างกายในยที่เกิดแล้วก็เป็นความทุกข์อีกตายก็เป็นทุกข์เกิดก็เป็นทุกข์ตัวเราต้องมาพบกับความเกิดตัวเราก็ต้องมาพบกับความแก่ตัวเราก็ต้องมาพบกับความเจ็บไข้และความตายเป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนี้ควรที่เราจะสแสวงหาวิถีทางนะเพราะงั้น พนทางที่ไม่เกิดพ้นทางที่ไม่แก่ห้นทางที่ไม่เจ็บพ้นทางที่ไม่ตายเนี่ยพ้นทางที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเยือกเย็นเป็นทางสายเดียวที่จะพ้นจากภพว่าไงเถอะนำไปสู่ความดับทุกข์ก็คือนิพพานเนี่ยว่าไงนน่าจะมีอยู่แน่นอนท่านก็นคิดว่าเอ๊ะถ้าทุกข์มันมีเนี่ยสุขมันก็ต้องมีสิในโลกเมื่อภพมีอยู่ความดับภพบหรือปราศจากภพก็ต้องมี ถ้าความร้อนมีอยู่ความเย็นก็ต้องมีใช่ไหมไฟสามกองคือราคาความกําหนัดไอ้โทสะความโกรธโมหะความหลงมีอยู่เอแม้ความดับไฟสามกองมันก็ต้องมีอยู่สภาพที่ดับไฟคือราคาไฟคือโทสะไฟคือโมหะก็ต้องมีสิเนี่เห็นไหมคนมีปัญญาเริ่มคิดแล้คนที่ตกอยู่ในหลุมคูดแล้วเห็นสาดน้ําอยู่ข้างหน้ารู้จักหลุมคูดไหมหลุมอุจจาระรู้จักไหมถ้ารู้ เอาหัวโม่งไปในหลวมุจลาตูมเข้าไปเนี่ยแล้วข้างหน้ามันมีสระน้ําอยู่ถ้าไม่กระเสือกกระสนเนี่ยเพื่อจะไปล้างตัวเองในสระมันเป็นความผิดของสระหรือความผิดของใครความผิดของใครเป็นความผิดของสระใช่ไหมเออเป็นความผิดของเราบอกนั่นเถอะเออ่อเป็นความผิดมันไม่ใช่ความผิดของสระชั้นใด เมื่อสะคือพระนิพพานอันเป็นเครื่องชำระบนทินคือกิเลสมีอยู่ทำไมยังไม่เข้าไปในสะนั้นมันไม่ใช่ความผิดของสะหรือพระนิพพานไม่ฉะนั้นแหละมันเป็นความผิดของเรานี่แหละไม่กระเสือกกนก็ตอนนี้ไฟคือราคะมันก็นีอยู่ไฟคือโทสะมันก็เผาร้นอยู่ไฟคือโมหะก็เผาร้นอยู่ชีวิตเราก็แปดเปื้อนไปด้วยกิเลสคือราคะโทสะโมหะมาหน้าทิฐิเป็นต้น กิเลสก็ไหลรั่วรดอยู่เหม็นฟุ่งอยู่ในกระแสะของความคิดจิตใจเนี่ยเ อ, อ้อสาคือ น, นิพพานเนี่ยสภาพที่จะสามารถเข้าไปชำระความสะอาดมันมีอยู่หนทางที่จะเดินไปสากมันก็มีอยู่ข้อปฏิบัติที่จะเข้าถึงสากคือพระนิพพานมันก็มีอยู่ไอ้ไม่เดินเนี่ยไอ้ น, นี่มันไม่ใช่ความผิดของสากมันไม่ใช่ความผิดของทางแต่ความผิดของเรานี่แล้วกันนอะเนอะนี่ก็คิดอย่างนี้บุรุษเนี่ยปวดเปื้อนซากศพที่น่าเกลียด ที่ผูกไว้ที่คอออกเสียมีความสุขเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองแม้ชั้นใดคนเราก็ควรละทิ้งกายเน่าที่สั่งสมซากศพนานาชนิดเป็นผู้ไม่มีเยื่อใยเป็นผู้ไม่ต้องการซากศพชั้นอีกชั้นนั้นเหมือนกันท่านก็บอกโอ้เนี่ยในเนี่ยมันถามว่าเรากินศพปลาไปกี่ตัวแล้วกินศพไก่ไปกี่ตัวแล้วกินศพหมูไปกี่ตัวแล้ว ในเนี้ยเต็มไปด้วยซากศพทั้งนั้นเองเนี่ยที่มันหล่อเลี้ยงเป็นกายเนี่ยในศพนั่นเนี่ยเออแล้วเราจะมานอนกอดไอ้ศพซากศพที่มันเน่าเน่าอยู่ทําไมวะอย่างไรเล่ามาพี่นอกพี่เทาไอ้ซากศพที่มันเน่าเน่าเนเรื่องจริงนะเนี่ยเรากินอะไรมาเยอะแยะหมดกินไข่กินไก่กินเป็ดกินหมูไหมศพมาทั้งนั้นศพไก่ศพเป็ดศพหมูศพปลาแล้วศพอะไรแก กินเยอะแยะเหมือนหัวควายกินหมดนี่ในเนี้ยที่จะสอบเต็มไปหมดตอนนั้นถึงเราก็ฉันนั้นเหมือนกันจะละทิ้งกายเนี้ยที่มีช่องอยู่เก้าช่องมีของไม่สะอาดไหลออกเป็นนิดเก้าช่องมีอะไรบ้างตาสองที่ตาสองมีอะไรไหลออกอะไรอะไรไหลออกจากตาขี้ตาไงขี้ตาอะไรอออไหลออกจากหู ก็ขีหูอะไรออกจมูกขีมันลงอะไรออยออกจากปากสหล่เศรน้ําลายอะไรไหลออกจากทวารหนักอุจจาระไงอะไรไหลออกจากทวารเบาปัสสาวะนี่ไงไอทวารทั้งเก้าเนี่ยตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งทวารหนักทวารเบาเนี่ยเป็นที่ไหลออกของอุจจาระและปัสสาวะตลอดถึงของโศโครกทั้งหลายว่างั้นเดิน เป็นของไม่สะอาดไหลเป็นนิดเหมือนเจ้าของเรือนเรือเก่าทิ้งเรือเก่าไปฉะนั้นก็พิจารณาโอ้แล้วเราจะไม่นอนก่อนนอนประคับประงมเจอไหเราทําความสะอาดทุกวันมันไม่เห็นหยุดไหลออกมาทุกวันเลยขาดถุยขาถือถ อ, อยู่เนี่ยโอ้ต้องเนี้ยไหมเนี่ยไม่มีแต่ของไม่สะอาดไหลยอยู่เ้ามองอย่างนี้นะว่าําหน้ารังเกียจมันของสกรปรกแล้วเราทําไมมาประคับประงมบางคนนะมีไอ ทวารตาสองทวารหูสองทวารจมูกสองทวารปากหนึ่งทวารหนักทวารเบาแล้วข้างในนี่ก็เหมือนถังอุจจาระใช่ไหมมันก็ระ บ, บายของที่ไม่ดีออกมามีอยู่คนละหนึ่งถังแล้วก็มีที่ไหลออกก้าวลู่นี่แหละก้าวช่องนี่แหละแล้วยังไปเอามาอีกเออไปเห็นผู้หญิงก็ไปชอบใจอถังอุจจาระนะั่นเองโอ้โหเอาขอมเหม็นมารวมกันอีกกูโหตายเลยใช่ไหมคิดอย่างนี้ไหม คิดได้ไหมยังคิดไม่ได้คิดได้อโอ้โหถ้าเวลาเจอคนเดินมาเฮ้ยจะแบกถังบูชาไปไหนวะ ม, มันมีไอของสกรปรกไหลออกอยู่เก้าทางใช่ไหมทั้งตาสองทงหูสองจมูกสองปากหนึ่งทวาหนักทวันเบ า, อ, เบ า, อ, บาอุหนไหลเยิย้มตลอดเวลาเลยเช็ดไม่ดีเหม็นอีกล้างไม่ดีเหม็นอีกโอ้โหอย่าปล่อยออกมาเนี่ยนั่งตรงเนี้ย จะปล่อยพวดออกมาทั้งปากทั้งจมูกทั้งตาทั้งหูเนี่ยค่อยชั่วนิดหนึง่งถ้าทวานหนักทวานหนาวปล่อยเบาปล่อ ย, อยพวดออกมาตอนนี้หโหยุ่งเลยเนี่นยข้ายยางนี่มันของเหม็นทั้งนั้นแรมมั น, นก็ระบายของเหม็นออกมาไงเนี่ยเห็นไหมมันมันก็คือถังใส่อุจจระดีๆนี่แหละแล้วก็มันมีมันเยอมไอ้ตามรูคุ้มขนก็ไหลออกตลอดเวลาเลยนะเนี่ยดูสิเราไปชื่นชมไอ้ถังส่วมเนี่ย ไม่ชื่นชมได้ยังไงวะแล้วเราไปมองเห็นถังส่วมนี้เป็นพ่อถังส่วมนี้เป็นแม่ถังส่วมนี้เป็นปู่ถังส่วมนี้เป็นยายถังส่วมนี้เป็นตาเป็นยายเป็นย่าถังส่วมนี้เป็นพี่ถังส่วมนี้เป็นน้องถังส่วมนี้เป็นภรรยาถังส่วมนี้เป็นลูกสามส้วมนี้เป็นหลานอืออเพื่อหลงรักถังอุจจระกันเนี่ยถังอุจจาะเดินได้โอ้โหแล้วก็บอกก็ยากด้วยถังอุจจาระพวกนี้ยทิถีก็แรง อย่าว่าเหม็นไอ้ทั้งกายก็เหม็นอยู่แล้วใช่ไหมทั้งใจใจก็มีแต่กิเลสโอ้โหทดีทามโหมันก็เยิ้มตลอดเวลาไหมไหลออกตลอดเวลาไหมเล่าโอ้โหแล้วเราทําไมเนี่ยจงทําอุ ป, ปมาเนี่เกิดบ่อยๆแล้วก็ลืกบ่อยๆวันนี้คนละถังสองถังนี่อันนี้ก็ถังหนึ่งนี่ก็ถังหนึ่ง ถามว่าระหว่างถังอุจล่าที่สมมุติว่าเป็นผู้หญิงกับถังอุจล า, าที่สมมติว่าเป็นผู้ชายเนี่ยถังไหนหน่าเกียดกว่ากันโอ้โหในหอมไหมจริงๆแล้ว จ, จริงๆเนี่ยมีไหมมนุษย์มีหอมไหมไม่มีเอาอะไรมาท้าท้าหลอกคนพกหลอกคนโง่ได้แต่หลอกคนที่ฉลาดที่ปราถนาพระนิพพานไม่ได้หรอก จะหลอกคนโง่ได้นะ่ยไทั้งเม็นๆแบบนี้หลอกได้แต่ว่าหลอกคนฉลาดก็ไม่ได้คนฉลาดไม่เอาคนโง่ก็ติดคือมันอยู่มองๆอ อ, อย่างเลเนี่ยโอ้โหเนี่ยสุมเมธาดาบทเนี่ยสุมเมธาบฑิตปลารบถึงเนคขมมะทันทีด้วยอุปมาอุปไมยต่างๆเหล่านี้แล้วก็ได้กราบทูลขออนุญาตสละทรัพย์สมบัติแล้วอนุญาตออกบวชเลยบอกว่ไม่ไหวแนละ้วเรื่องอะไรเราจะต้องมา ทนอยู่กับไอ้กายที่มันเน่าอย่างนี้เนาะเพราะพี่เจรนาพวกก็ไม่มาอยู่แล้วทีนี้ท่านก็เลยปราถนาออกบวชแล้วก็ไปอยู่ที่ออกจากนครแต่ผู้เดียวบวชเป็นดาบวอยู่ที่ภูเขาทามิกะในป่าหญ้าพานนะี่แสร้างอาศรมบรรณาสลาแล้วก็ที่จกงกลมไว้เว้นจากโทษทาปการนะพื้นไม่แข็งไม่ขุขา่าไม่มีต้นไม้อยู่ในระหว่างทางไม่มีรคชัดไม่แคบเกินไปไม่กว้างเกินไปในที่ใกลอ้อาศม อาตรคถาบอกสิ่งทั้งสอย่างเช่นอาสมเนี่ยด้วยอุปรกรณ์ดำรงชีพคาส ก, กะให้วิษณุ ก, กรัมทนเทพบุตรในระบิดไทยซึ่งถือว่าท่านสุเมธาสร้างบุญสร้างด้วยบุญตนเองด้วยท่านก็ละทิ้งเนีผ้าสาดกเนี่ยนะผ้าสาดกที่มันมีโทษ9ประการนะเป็นของมีค่าเก่าเร็วเป็นต้นอะไรนี้และท่านก็นุ่งผ้าเปลือกไม้ที่ประกอบด้วยคุณสิประการเอาผ้าเปลือกไม้มานุ่งเย็นผ้าราคาถูกเหมาะสมแก่ความประพฤติขัดเกลา้า ทำด้วยมืองตนเองเป็นต้นอลไรเนี้ยสมัยถ้าดาบอดก็เปลือกผ้าสาดกอย่างดีออกแล้วก็ถือเอาผ้าเปลือกไม้สีแดงแต่ผ้าดีๆทิ้งเลยไม่เอาเป็นภาลักเอาผ้าที่ไม่ดีนี่แหละไม่หายด้วยเอาพออยู่ใบรรณศาสลาท่านก็บอกอบรรณศาสลาเนี่ยก็เห็นโทษก็คื อ, อต้องสแสวงหาเก็บรวบรวมวัวสดุอุปกรณ์จํานวนมากจรงจะสร้างได้อลําบากไหมก็สร้างที่อยู่นี่ ต้องซ่อมแซมบ่อยๆเพราะหญ้าใบไม้และดินเหนียวเป็นต้นเนี่ยมันหลุดร่วงไปได้ง่ายต้องตื่นขึ้นมาในการที่ไม่ควรตื่นเพราะถูกนักบวชที่เอาุโสกว่ามาปลุกเพื่อขอเข้าอยู่หรืออยู่ประจําทําให้จิตใจไม่ได้ความสงบเออถ้าได้อยู่ที่ดีๆเดี๋ยวนักบวชก็มาอีกนะเหมือนคนมีแล้วก็ทําให้ร่างกายอ่อนแอเพราะไม่ถูกความหนาวความร้อนและลมสัตเบียดเบียนทั้งหลายเป็นต้น น, นั้นคนที่อยู่รักษาแบบนี้อยู่แล้วเปิดแอร์เปิดแอร์ในร่างกายอ่อนแอนะ ร่างกายอ่อนแอแต่คนที่อยู่กับไอเนี่ยอยู่ที่การแก้งเงยอยู่รับลมรับแดดรับหนาวรับร้อนก็สามารถทนกับมันได้พวกนี้จะแข็งแรงน้ำเหลืองก็ดีเนี่ย น, นถ้าใครอยู่อย่างนี้มากๆเอาพอก้าห้องกระเป๋าพัดลมใส่หัวไปปี๊ดๆนี่พวก น, นี้อ่อนแออ่อนแอป่วยประจำพวกนเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นสถานที่มิดชิดอ่าถูกหาว่ากําลังทำความชั่วในที่ลับก็ได้ เกิดความหวงแหนว่าที่อยู่ของเราเนี่ยถ้าอยู่ที่อยู่ดีๆเดี๋ยวงหวงแหนนี่เกิดฟุ้งซ่านเป็นในการมืวิตกมีเรือนและมีความอยากมีคู่เป็นต้นเออเป็นอย่างนั้นนะถ้าอยู่ที่อยู่ดีๆประการต่อมาคือว่าบรรณศาราเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั่วไปเช่นคนบางจิ้งจกบ้างตุ๊กแกเป็นต้นบ้างแล้วก็เลยทิ้งเลยท่านเห็นโทษ8ประการนี้ปุ๊บท่านบอกไปอยู่ต้นไม้ดีกว่าไปอยู่ที่โคนต้นไม้มีคุณตั้งสิประการมีอะไรบ้างอะไม่ต้องร ว, รวบรวมวัสดุก่อสร้าง ต้นไม้ไหนก็อยู่ได้จะว่าอยู่คนต้นไม้เสเลยเออมีการดูแลรักษาเพียงเล็กน้อยก็อยู่สบายแล้วกวาดคนกวดหน่อยก็อยู่ได้แล้วที่คนต้นไม้โอ้ไม่ต้องอย่างอยู่ที่ห้องนี่ลำบากนะต้องเก็บต้องกวาดเยอะประการที่สามไม่ต้องถูกบุกให้ลุกในการที่ไม่ควรก็คือไม่มีใครอยากได้หรอกต้นไม้อาถ้าอยากได้ก็นู่นนี่มีต้นไม้เยอะแยะนี่ไงแล้วก็ไม่ถูกข้อรักษาเขาทำความช่วยในที่รับโอ้โหอยู่ข้างนอกอย่างนั้นใครก็เห็นไปไปมาก็เห็น เป็นเหมือนอยู่กลางแจ้งตลอดร่างกายและจิตใจก็ไม่เกิดความอึดอัดแล้วก็ไม่หวงแหนด้วยถ้าใครมีใครมาขอขออยู่ต้นไม้นี้หน่อยเอาสิเดี๋ยวไปต้นอื่นอาจจะยัง <c oughs> นี่มันดีอย่างนี้แหละไม่ยึดติดว่านี่บ้านของเราโอ้อยู่คนต้นไม้ไม่ยึดติดหรอกเพราะมันเก่าวจัดไม่ต้องคอยหลบให้คนไปกวาดเช็ดถูเหมือนอยู่ในบ้านเรือนแล้วก็เกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจไม่ยึดติดอะไรเนลยไม่มีความหวงแหนด้วยเพราะคนไม้หาได้ง่ายเนี่ยเข้าไปอยู่ก็ง่าย หาง่ายไม่มีโทษได้ความสําคัญในเนื้จังทุกวันเห็นใบไม้ร่วงบ้างโอ้โหไม่เที่ยงเป็นทุกข์บ้างเป็นอนาตาบ้างไม่เกิดปัจฉรยิยะคือไม่ห่วงที่อยู่ด้วยไม่ไม่กล้าทําความชั่วเพราะกลัวคนเห็นไม่ยึดถือต้นไม้เป็นของตัวเองแล้วก็ได้อยู่ร่วมกับเทวดาไม่ต้องสร้างหลังคาหรือฝาผนังเลยดูแลรักษาขา ง, ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องที่อยู่เพราะข้างหน้าก็มีคนไม้เต็มไปหมดเนะี่ยคิดอย่างนี้เบ็เสร็จแล้ว อการอยู่คนต้ไม้เดี๋ยวเราไปฝึกอยู่คนต้นไม้กันดีไหมดีเออเดี๋ยวไปนอนที่ใต้ต้นโพกันนอนเป็นคนละมุมยืในใต้พื้น เ, เอาเต็นท์ไงเอาเต็นท์ไปวางปุ๊บนอนได้เลยนอนตรงนั้นเลยมีูใต้ต้นโพเดี๋ยวให้อยอมหาเต็นท์มาดีกว่านะเอาเต็นท์มาจากสามทีหลังเอาไปวางไว้ตรงนั้นก็ น, นอนสบายไหมเขียนไปเล่นเออแค่นั้นพอแล้ว มาเดินนั่งสบายไม่ต้องมีพัดลมไม่ต้องมีไปเพราะโล่งสบายเย็นยิ่ยงฝนตกมาแล้วโอ้โหเย็นใหญ่ร่างกายแข็งแรงเออต้องไปฝึกแบบนี้แหละตรงนี้ว่าวันรุ่งขึ้นนะตเมีธนะาดาบดก็เข้าไปหาเนี่ยหาในหมู่นได้อาหารน้าปานี่บริโภคแล้ว ก, กลับมายังคนต้นไม้คิดว่าเออเราเนี่ยได้บวชพาะหวังเะ เราไม่ได้บวชเพราะหวังจะได้อาหารดีอาหารทําให้เกิดความมัวเมา ก, กินอาหารอาหารก็นําทุกข์มาหลายอย่างมาให้แต่นี้ไปเราจะบริโภคใบไม้ดีกว่าตอนนี้เอาใบไม้ที่หล่นลงมากินใบไม้เลยสิเรื่องที่เกียจท่าโอ้โหนี่เห็นไหมนักบวชเป็นอย่างเงี้ยวันต่อมาท่านก็เลิกบริโภคข้าอาหารทุกชนิดบริโภคแต่ผลไม้ป่าที่หล่นเนี่ยผลไม้ผลไม้ที่มันล่วงมา แล้วก็ปารกความเพียรด้วยยาบทนั่งยืนแล้วก็เดินจงกลมผ่านไป7วันทําอย่างนี้ปุ๊บได้บรรลุสมาบัตเลยได้ปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานได้รูปฌานที่1234โอ้โหได้สมาบัติ8และได้พิญญาหด้วยคิดเรณาดวงในใจเออได้พิญญาหด้วยได้ทิพยจักขู่พิญญาได้ตาทิพด้วยได้ทิพยโสตพิญญาได้หูทิพด้วย ได้เจตได้แสดงฤทธิ์ได้ด้วยโอ้โหเหาะได้อะไรได้ดำดินได้โอ้โหนี่เห็นไหมเนี่ยการอยู่ในที่ที่มัน อ, อไม่ต้องสะดวกสบายกับการได้ฤทธิ์ภายในตนร่างกายมันแข็งแรงจิตก็เข้มแข็งพราะจิตเข้มแข็งก็ฝึกง่ายเลยอย่างนี้โอ้โหฝึกปุ๊บ ป, ป, ปุมีฤทธิ์เกิดขึ้นมาหรือเจ็ดวันบรรลุเลยอะ่ะนี่ขนาดนั้นเลยเนะี่ยสนใจไหยล่ะไม่ต้องไปไหนไปไหนไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องทำพาสปอร์ตเหาะได้อะ่ะ ไมต้องใส่เครื่องบินเนะี่ยหายตัวได้อโว้สุดยอดใช่ไหมฟุ๊บไปที่ไหนก็ได้คิดไปที่ไหนไปได้เลยอยงเงี้ยเนี่ยขนาดนี้คนมีเลือดก็ไปได้อย่างเงี้ยเครื่องบินยังช้าโอ้โหไปเครื่องบินลําบากแล้วรอเครื่องบินเรยวไปไม่ได้อีกเครื่องบินตกตายกันหมดอันนี้ไม่ต้องอยากจะไปที่ไหนประเทศไหนฟุ๊บไปได้เลยใช่ไหมไปเร็วขนาดไหนก็บอกว่าเหมือนบุรุษที่มีกําลังบานกลางเนี่ยเหยียดมือแล้วคู้เข้าเร็วขนาดไหนไปถึงที่แล้ว โอ้โห oh, ถ้าเราจะไปที่ไหนต้องใช้เวลาเยอะไหมเนี่ยปุ๊บแค่นี้ไปถึงแล้วจะไปสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ไปวันดีคืนดีไปรูปเอามือไปรูปดวงจันทร์ก็ได้เอามือไปรูปดวงอาทิตย์ก็ได้โอ้โ oh, หขนาดนั้นเลยเนี่ยขนาดนั้นเพิ่งคนที่มีรทิ์รูป <c oughs> ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เล่นกันนี่คนมีริ์ทีนี้ก็ แลก็พิญญาห้าเป็นผู้ประกอบด้วยสมณสุข8ประการก็คือไม่ต้องคอยรักษาทรัพย์และข้าวเปลือกโอ้เหนือ่อยพอไม่มีสมบัติแล้วไม่ต้องไปรักษาสแสวงหาบินทบาทการสแสวงหาก้อนข้าวที่ไม่มีโทษบริโภคแต่บินทบาทที่เย็นไม่มีทรัพย์สินซึ่งเป็นเหตุให้รักตํางเบียดเบียนด้วยปราศจากความกําหนัดเพราะไม่มีสิ่งที่น่าพอใจยอยู่ในครอบครองไม่ต้องกลัวโจรป้น ประการที่เจ็ดไม่ต้องคุกครีกับพระราชาหรือหรือคนของพระราชาประการที่แปดไม่ถูกขาดขวางเมื่อจะไปใ น, นทิตย์ทั้งสี่ไปไหนได้สบายเลยว่าั้นเนี่ยสุมเมธธาดาบทก็ปล่อยเวลาล่วงเลยไปอยู่โคนต้นไม้ถ้าเรียกว่าอาสมแล้วก็สุกนั้นเกิดจากชาสมาบัติอยู่ไหมโอ้อยู่อย่างนั้นอยู่เข้าในชานไม่รู้เลยอ่ะว่าตอนนั้นมีพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นท่านก็ไม่รู้เพราะมีความสุขอยู่ในชานใช่ไหม สุมเมธาดาบทไม่รู้พระพุทธเจ้าพระทิปังกรปฏิสนธิเกิดมาแล้วประสูติตรัสรู้และแสดงธรรมจักไม่รู้สมัยนั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระธิปังกรพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นในโลกถือปฏิสนธิเกิดในคันมารดาประสูติตรัสรู้และประทานรธรรมจักตามลา ด, ำดำับหมื่นโลกธาตุสั่นสะเทือนหวั่นไหวมีปุปพันิมิต 3-2 ประการปรากฏแต่สุมเมธาดาบทยินดีอยู่ในฌานไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นนิมิตรเหล่านั้นเลย ก็เห็นอัศจรรย์นะ่ะตอนนั้นอยู่ในฌานไม่รู้แผ่นดินไหวจากการประสูติของพระเจ้าก็ไม่รู้แผ่นดินไหวจากการตัดสรุปก็ไม่ทราบแผ่นดินไหวตอนแสดงธรรมพระธรรมจากไปเป็นไปก็ไม่รู้พระทิบังกรมีพระชนมายุแสนปีนะขณะตัดสรุคมีพระชนหลายหมื่นปีคั้นพระพระุทธทีบังกรจาริกเมืองมาที่รัมมนานครเนี่ยรมมนานคร เรียกว่ารรมกะนครมีภิกษุสี่แสนลูกตามเสด็จโอโ้ขนาดนั้นเลยสี่ 4, แสนตามเสด็จถึงเวลาเย็นแล้วพระเสด็จประทับอยู่ที่สุทัศนะมหาวิหารชาวรามนะครก็ทราบข่าวก็พากันถือเพศสัตว์บ้างของหอมบ้างผ้าบ้างดอกไม้เป็นต้นบ้างหลังหลายเปลีป้ยเฝ้าถวายบังคมพระพุทธเจ้าที่เตรียมมาจากนั้นก็สับพระธรรม จบแล้วก็ทุนนิมนต์เพื่อให้สวยอาหารในวันรุ่งขึ้นท่ามกลางพระนครนั่นแหละรุ่งเช้าประชาชนก็ช่วยกันเตรียมมหาทานประดับประดาตกแต่งบนทางเพื่อรับสเสด็จที่ใดมีน้ำขางก็เอาดินไปถมที่ขุกขักก็ทำให้ราบเรียบโปรยข้าวตอกดอกไม้ทำผ้าสีต่างๆทำเป็นธงตั้งต้นกล้วยแล้วก็หม้อน้ำมีน้าเต็มวางไว้เป็นตลอดทางถวาย พุทธดำเนินพุทธจยาเออในการนั้นสมัยทาดาบทเนี่ยออกจากอาสมเนาะหออมาจากอาสมหอ่อออกจากฌานสมาบัติก็ห่ะมาเลยผ่านหมู่ประชาชนเหล่านั้นเห็นพวกเขาก็กลังล่าเริงกันมากนีเ่เกิดเหตุอะไรเนี่ยไม่รู้พวกเขาทําอะไรกันเนาะก็ลงสู่พื้นแล้วสอบถามว่าปกติท่านหอมาใครก็สนใจนี่ไม่มีใครสนใจเท่อไหรเลยอยู่กลายเป็นคน ที่ไม่ได้มีอภินิหารใดๆหรอกนะพระบอกว่าบัดนี้พระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาทีบางกรรมาลุศมาสัมริยาาแล้วพระทีบางกรรมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้วพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นต้นเหล่านี้น ะ, สะเสด็จจาริกมายังนครของพวกเราพวกเรากําลังทําหนทางไป ร, รับสเสด็จอยู่โอ้โหพอได้ยินคําว่าพุโทโธเลยนะจิตใจนี่ซ่านไปแล้ว คำว่าพุโทโธพุธโทโธได้ยินเนี่ยบอกว่าบอกโอ้คำว่าตรัสรู้คำว่าปัญญาตรัสรู้สัจจะนี่หาได้ยากไหยปัญญาตรัสรู้ความจริงได้อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วมีมนุษย์ได้ตรัสรู้อริยาศาศาสัจสี่เกิดขึ้นมาแล้วในโลกเนี่ยจะกลัวโปรยกล่าวปยายการอุบัติเกิดขึ้นของพระเจ้าเราควรร่วมกับคนเหล่านี้ตกแต่งคุทางรับเสรก็ขอเลยขอโอกาสว่าขอที่เราด้เถอะเราจะได้ ให้เลี่ยวแรงชใช้ใช้กําลังของเราเนี่ยแผ่ถางทางถวายเป็นพุทธบูชากับเขาบ้างคนเหล่านั้นรู้ว่าเ อ, อ้ยท่านนี้มีฤทธิน์นี่ก็เลยโอนทางที่มีน้ํขาขังซึ่งถมได้ ย, ยาก ง, งั้นท่านเอาตรงนั้นแหละไม่ท่านมีฤทธิน์นี่ใช่ไหมสุมเมธาดาบทระลึวลกว่าเออถ้าเราใช้ฤทธิน์นี่เราก็ใช้ความเพียรนิดเดียวเองเอาแล้วเราจะใช้ร่างกายใช้กําลังใช้เตณติปัญญาของเราเนี่ยก็เต็มเปี่ยมด้วยปีติ สถานนั้นที่นั้นถ้าเราถ่มด้วยฤทธิ์จะไม่ทําให้เราส ม, มนัสหรอกเช่นอธิษฐานปุ๊บทุกอย่าเงี้ยนี่จะโส ม, มนัสอะไรเอาและเราจะใช้ร่างกายของเรานี่ยแหละเหมือนอาจารย์ไปบินทบานนึกในใจว่าเราจะไปหาอาหารมาถวายแกสงเราต้องเดินไปเดินไปเดเรี่ยวแรงและกําลังของเราเนีอาจารย์ก็เดินเดินเดินไปแล้วก็ไปยืนเขาอาหารเขาใส่สะพายสองบาไม่สนหนักก็ทนเอา เราจะใช้เรี่ยวแรงจะใช้กําลังใช้สติปัญญาใช้บุญกุศลเรานี่แหละเราจะถวายสงฆ์เราได้อาหารมาแล้วเราจะถวายสงฆ์เราจะดูแลผ้า ป, ป่วยเราจะได้มาถวายสงฆ์ถวายสัมมเนนให้กินอิ่มสาําราญเขาจะได้มีความสุขเขาจะได้มีกําลังเขาจะได้มีอายุยืนเขาจะได้มีสติปัญญาเขาจะได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาคิดถึงหูแบกใจปิติเกิดไม่โคนะ้นหนัก ยอมมาค่อยน้อยค่อยน้อยยอมเอารถมีรถบัสมาเอ้ามาใสออมเต็มเต็มเต็มย่ามไม่เป็นไรใส่มาเยอะโอเต็มแล้วเออไม่เป็นไรหรอกโอ้แบบย่างเลยในบาทก็เต็มในย่ามก็เต็มเดินมาแล้วกุกปิกุ๊กปิ๊กไว้แล้วสองย่ามหนึ่งบาทเดินมานี่มีความสุขนะมีความสุขนี่เพาใจเราน้อมถวายสงนี่ เราไม่ได้เอามงกุฏเพื่อ น, น้อมตัวเองนี่โอ้โห่เนี่ยต่อไปสงจะได้มีอายุยืนสงจะได้มีความสุขสงจะได้มีผิวพรรณงามสงสงจะได้มีสติปัญญาเมื่อมีสติปัญญาแล้วก็จะได้มาคิดอ่านไปศึกษาพระธรรมแล้วก็จะได้พ้นทุกข์เขาจะได้ไม่เดือดร้อนในสังสารวัดคิดอย่างนี้นะโอ้โหทําหญ่เลยนี่นี่มันนาสิกานี่นี่เหมือนกันเนี่ยสมเยถ้าดาวกับท่านคิดแล้วโอ้โห่เนี่ยเราและเราจะ บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเราขนขวายด้วยกายดีกว่าท่านก็ขนดินมาถมลงตรงน้ำแล้วก็อุทานออกมาว่าพุโทโธพุธโทโธเก็บเก็บเม็ดหิงเก็บเม็ดถมเดินไปถมใช้หนังเสือที่ตนเองนุ่งห่มมาเอามากวาดกวาดดินเข้าไปพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็เดินมาเทเดินมาเททาอย่างขนขวายเต็มที่เลย ไม่ทันพุทธเจ้าพร้อมได้ภิกษุสองสี่แสนโลภเสเด็จมาแล้วโอ้โห ง, งามมากเสเด็จมาถึงได้พุทธีลาอันหาอุปมาไม่ได้ประดุดราชสีื้องกายบนมโนศีลาอย่างนั้นแหละสุมเมธาดาวดลืมตามองดูพระบรากายเห็นพระรูปโฉมประกอบด้วยมหาภูริสระขนาดสามสองประการนุพยชนะแดสิบนี่ แวดล้อมเดินหมู่พระรัศมีดาลวาเด็กเปล่งพุทธรัศมีอ่ะหกประการนะเป็นวงเป็นวงเป็นคู่ ค, คู่เหมือนสายฟ้าแลบหลากสีคิดโอ้โหวันนี้เราควรบริจาคชีวิตคิดทันดีนะวันนี้เราควรบริจาคชีวิตเพื่ออมพระพุทธพระพักเจ้าวางกันเถอะโอ้โหพระพุทธเจ้าพระบาทของพระพุทธเจ้าจะได้เพื่อนคนต้มเลย ท้าของพระทหาร4แสนลูปยึดได้เพื่อนโคลนตมเลยจงเหยียบไปบนแผ่นหลังเรานีิเถอะมันคิดอย่างนี้เลยนะจงเหยียบไปบนแผ่นหลังของเราเนี่ยแล้วเสด็จผ่านไปพร้อมกับภิกษุ4 0 0 0 0รูปเถิดเพราะจําเป็นเพื่อประโยชน์เพราะจะเป็นประโยชน์เกื่อกุลและความสุขแก่เราตลอดกาลนานขั้นแล้วก็ได้สยายผมนําหนังเสือราชะดาและผ้าเปลือกไม้ปูปูบนโคลนตมไว้อันเป็นหลม่มเป็นโคลนนั่นแหละเป็นเลนนั่นแหละ แล้วก็นอนนอนลงบนโคโลนตมนั่นแหละทำประหนึ่งว่าตนเป็นสะพานตั้งความปรารถนาว่าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจงข้ามไปด้วยการเหยียบบนตัวเราอย่าทรงเลอะเปื้อนโคโลนตมนี้เลยวิธีนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแกเรานอนฟุบถวายชีวิตเลย อ, อาลาธนาเลยขอพุทธเจ้าเหยียบเหยียบบนหัวเหยียบบนแผ่นหลังแล้วก็ขอพระอรหันต์สี่แสนรูปเหยียบ ว่างั้นอย่าเปื้อนเท้าท่านอย่าได้เปื้อนโคนตมเลยอย่าห mm ู hmm. oh, ขนาดนั้นนะอย่างเราจะกล้าไหมเนี่ยเ mm hmm. นี่ยใจขนาดนั้นนะนะคนที่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้านี่ mm hmm. ขนาดนอนอยู่บนเปือกตมนั่นแหละสุเมธาดาบทก็เพ่งเห็นพุทธสิริของพระเจ้าแล้วก็คิดว่าถ้าเราต้องการจะเผากิเลสทั้งปวงต้องการจะให้กิเลสหมดเป็นผู้ใหม่ในหมู่สง เข้าสูส่รัมมะนครพร้อมกับพระองค์ย่อมได้โดยไม่ยากถ้าเราฟังธรรมเนี่ยจากพระพุทธเจ้าไม่กี่ประโยคเราบรรลุแน่ไม่ยากเลยสติปัญญาอย่างเราเนี่ยแต่เราไม่ปรารถนาความหมดกิเลสโดยไม่มีใครรู้จักถ้าอะไรเราพึงเป็นเช่นพระองค์เป็นคือเราปรารถนาบนรรลุอภิสสามโพธิญาณในสูงสุดแล้วจะนำมหาชนขึ้นสู่ธรรมมาวน ทำนาวาก็คืออริยรมรรคมีองคแปดแล้วข้ามสังสาระก่อนตัวเราค่อยปฏิญิพผานแผหลังดีกว่าสถานะเช่นนี้เหมาะสมกับเรายิ่งนะักคิดอย่างนี้เอาลนะเราจะเป็นอย่างท่านญเนี้เราจะเป็นพุทธเจ้าด้วยบุญที่เราทำด้วยการถวายชีวิตเนี่ยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสันตบูชา เ, เราปรารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและ เราจะยังมหาชนขึ้นสู่ธรรมนาวาคืออริยมรรคเดินตามมรรคแดเนี่ยให้พ้นทุกข์และเราค่อยพ้นทุกข์ทีหลังคิดอย่างนี้เราค่อยไปรีนิพานเนี่ยคิดอย่างเงี้ยจะมีประโยชน์อะไรกับงั้นนะแกเราที่จะทำให้แจ้งทำในบัดนี้เพราะใครๆก็ไม่รู้จักเราเราจะบรรลุสัพพัญญุตยานแล้วเป็นะพ้ในเจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกดีกว่าเราเป็นลูกผู้ชายที่เข้มแข็ง เป็นลูกผู้ชายที่แข็งแรงไม่มีประโยชน์ที่จะข้ามฝั่งไปคนเดียวเราจะบรรลุสัพพัญญุตญาณแล้วช่วยให้มนุษย์และเทวดาข้ามฝั่งไปด้วยนี่คิดเงี้ยถ้าเราข้ามไปคนเดียวไม่ไม่ไม่ประเสริฐเราเป็นคนเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายก็เข้มแข็งจิตใจก็เข้มแข็งสติปัญญาของเราก็แรงกล้าแล้วก็ปรารถนายิ่งใหญ่เลยดีกว่าเออคิดอย่างนี้นะเราใครเคยคิดเรืองนี้ไหมคิดไ mm. ม่อยากเป็นผู้ยาณเคยคิดไหม เคยไหมเคยไมเคโอ้โหยิ่งใหญ่นะเป็นพทธเจ้าเราขนสัตว์หรือสัตว์เนี่ยให้พ้นจักทุกข์ช่วยคนได้ทั้งโลกอ่ะไม่เอาเลยเห็นไหมเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยไม่จำกัดตำแหน่งพทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เอ้ยเป็นไม่ได้ทุกคนสามารถเป็นได้ถ้าฝึกตนเองไปถึงเนี่ยเราเป็นลูกผู้ชายที่เข้มแข็งแรงว่างั้น จะไปคนเดียวบรรลุข้ามฝั่งไปคนเดียวเราจะบรรลุสัพพยุตยานแล้วก็ช่วยให้มนุษย์เทวดาข้ามฝั่งไปด้วยด้วยอธิการอันยิ่งก็คือหมายถึงการกระทำความดีที่ยิ่งใหญ่เนี่ยที่เราทำไว้ในพระเจ้าผู้เป็นอุดมบุรุษนี้เราจะบรรลุสัพพยุตยานแล้วพาชนเป็นอันมากให้ข้ามโอค้าสงสารไปด้วย ต่อจากนั้นท่านก็ประมวลทรมาแปดประการนี่นะอัตถสมมทานเนี่ยกาทำความปรารถนานยิ่งเพื่อความเป็นพุทธเจ้าคือ1ความเป็นมนุษย์ในใจเป็นมนุษย์นะ 2, ถึงพร้อมด้วยเพศเพศบุรุษเนี่ยนะเหตุ 3, คือการได้เห็นพระบรมศาสดา 5. ก็คือได้การบรญรชา 6. ก็ความสมบูรณ์ด้วยคุณคุณก็คื อ, อภิญญา5สมาบัติ8เนี่ยและการกทามันยิ่งก็คือสามารถถวาย ชีวิตให้เป็นทานได้และมีฉันทะมีฉันทะทํา8ประการเหล่าเนี้นะพบทุนเมื่อดาบดตั้งความปรารถนาในขณะที่นอนอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าที่ปังกรเสด็จมาถึงตรงที่โซเมธาดาบดนอนอยู่ทรงดินยืนด้านศรีรษะของดาบดผู้นอนอยู่นั้นดำริว่าดาบดนี้กระทาความปรารถนายิ่งใหญ่พุทธเจ้ารู้ว่าละกิตทัีเลยอ้เนี่ยดาบด ท, ที่นอนถวายร่างกายถวายชีวิตให้กับเราให้กับ พิสูจสงเดเหยียบเนี่ยประกาถนาที่ยิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระเจ้าจึงได้นอนอยู่ความปรากานาของดาวบทนี้จะสําเร็จหรือไม่นอท่านใช้ยานอย่างรู้ฟึดทันทีเลยได้สำเร็จหรือไม่สําเร็จพิจารณานากตังสายานพปียานล้วนาะคตปุ๊บใครควรดูทรงพบว่าจากนี้ไปเสียสงไข่กับอีกแสนกับเสียสงไข่ก็คือโลกเกิดดับแตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ย เท่ากับเลขหนึ่งตามที่เลขศูนย์ร้อยสิบูนเนี่ยสี่รอบสี่รอบแล้วก็โลกแตกดับพวงท้ายอีกแสนใบพวกนี้จะมาเนบา ร, รมีทุกใบนะมาเนี่ยแล้วจะได้เป็นพระเดยดวเนี่ยเนะเห็นขนาดนั้น เ, นเห็นแล้วโอ้โหเนี่ยพยักเห็นปุ๊บทรงต้องบอกว่าเออเนี่ย ดาบทนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะคือโคโดมเมนต่อมาว่าทรงต้องการประกาศคุณของดาบทจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอเห็นดาวบทที่มีตะบะสูงที่นอนอยู่ตรงนี้ไหมถามเลยพระภิกษุทูลตอบว่าเห็นพระพุทธเจ้าข้าตรัสว่าดาวบทนี้กระทําความปรารถนาอันยิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้นอนอยู่ความปรารถนาของดาวบทนี้จกสําเร็จในอีกสี่สมัยยิ่งด้วยแสนกับ แต่นี้ไปแล้วกับปยากรว่าเราเขาจะเป็นพระตถาคตเจ้าเสด็จออกจากกรุงกริลบื้องพที่น่ารื่นลมเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกขารกริยาพรัตถาคตเนี่ยจักประทับนั่งที่โคนต้นอชาปารนิโคตรรับข้าวมาทุกปลายาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชลาพระชินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าวปลายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาแล้วเสด็จไปที่ควงโพที่พึ่ง ตามผนทางที่ตกแต่งไว้ดีแล้วจากนั้นพระองค์ผู้มียศอันยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าจะทำประทักษิณโพธิมณฑลรอบนะสามรอบแล้วก็แล้วจะตัดสรู้ที่ควงไม้อัศสะพึกคือต้นโพเนี่ยนะพระมารดาผู้ให้กำเนิดดาบทนี้จะมีนามว่ามายาบิดาจะมีนามว่าสุทโธทนะพระชินาจ้าพระองค์นี้มีนามว่าโคธมะพระโคดมเนี่นะพระโกริตาพระโมครานะ พรอุปติสาพระาริบุตรจะเป็นอัคระสาวกผู้หาอาสะวะมิได้ปราศจากราคะแล้วมีจิตที่ตั้งมัน่นอุปถาจะชื่อว่าอานนท์อุปถาอุปถาพระชินาจ้าพระองค์นั้นพระเขมาและอุบลวันนาเถรีผู้ไม่มีอาสะวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นจะเป็นอักขระสาวีกาโพธิพฤกต้นไม้ที่ประทับตัดสรูปของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอัสสะพฤกจิตตะขณาดีจิตตะอรวกกะจะเป็นอักขระอุบาสก นันทมาตาและอุตตราจะเป็นอค拉อุบาสิกาพระชนมาายุของโคตามัผู้มีพยศอันนี้จะมีร้อยปีเห็นไห ม, ามาก็หมายความอยู่ใน100ยร้ปรีเป็นอายุไขัยพอจบพุทธยากรทุกพุทธปยากรปุ๊บสุเมธาดาบทเลยชื่อว่าเป็นนิยตภาโพ ธ, ธรริสัตว์เลยนี่เป็นพระโพธิสัตว์เรียกอย่างเจาะจงก็คือสัมมาสัมพุทธาโพ ธ, ธิสัตว์ให้สุเมธาดาบทได้รับ พยากรฟังพยากรณ์ปุ๊บโอ ح, ้โหปลาโมดพีติปรสเทริสุขสมนะเกิดดีใจไหมหมู่มหาชนได้ฟังแล้วก็พากันลื่นเริงท่านสมีธาเป็นพืชพันธุ์ของพุทธเจ้าพุทธพีชังพุทธพีชังเป็นหนอ่อเป็นหน่อพุทธทางกูลแล้วเป็นหน่อแห่งพุทธเจ้าพุทธวีชังกุโรก็คือพากันกล่าวว่าธรรมดามนุษย์จะข้ามแม่น้ําเนี่ยเมื่อไม่อาจจะข้ามตรงท่าน้ําได้ ก็ยังสามารถจะขา้ามยังท่าอื่นได้ชั้นใดเมื่เราทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไม่ได้มรรคผลในศาสนาพระเจ้าทีบังกรนี่เมื่อเราทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไม่ได้มรรคผลในพระศาสนาของทีปังกรสมารุจา่าก็จะสามารถได้แจ้งมรรคผลต่อหน้าท่านสุเมธะในการที่ท่านเป็นพระเจ้าในอนาคตแล้วก็พากันตั้งปากสาว่าถ้าเราได้บรรลุในปัจจุบันอัตภาพนี้ขอให้เราได้บรรลุแต่ถ้าไม่ได้บรรลุขอให้ได้มีโอกาสได้บรรลุต่อหน้า สุเมธาดาบทที่จะเป็นผู้ดิจ้าในอนาคตเนี่ยตั้งจิตฝาละนาอย่างนี้เลยนะผู้ดิจ้าที่บังกรปยากรเสร็จแล้วก็บูชาผู้บริสัทด้วยดอกไม้8ปดกำมือที่รับมาจากหมู่ชนนั้นทําประทักษิณแล้วก็หลีกไปพระผู้ดิจ้ายังทําประทักษิณบริสัทธ์เลยนะแม้ภิกษุ4แสนลูกก็ได้บูชาด้วยดอกไม้คองหอมแล้วทาประทักษิณแล้วก็หลีกไป เทวดามนุษย์ทั้งหลายยุคนั้นก็พาการบูชาแล้วเนี่ยพระเจ้าของเราตัดเรื่องเหล่านี้นสุมเมธาทึ่บอกว่าพระทีปังกรทรงเป็นผู้รู้ดูแจ้งโลกทรงรับรับของบูชาทรงประกาศกรรมของเราแล้วทรงยกผ้าบาทขวาขึ้นบอกว่าพระพุทธชินรถเนี่ยนยะภาษาของพระเจ้าทีปังกรทุกรูปที่อยู่ในที่นั้นก็ทำประทักษิณเรา พวกเทวดามนุษย์อสูรยักษ์ต่างอภิวาสนเราแล้วก็หลีกไปตรงนะี อ, อทรงพยากรออทรงยกพระบาทเบื้องขวาขึ้นแต่ไม่มีการเสด็จเหยียบสุเมธาดาบทแต่อย่างไดนะทรงบูชาด้วยดอกไม้แล้วก็ทรงทําัต ร, รทักษิณแล้วก็ขี่นาศศีแสนโลกก็บูชาด้วยดอกไม้แล้วก็ทำบัตรทักษิณาบทที่นอนอยู่นั่นแหละการระบุว่ามีการเสด็จดําเนินเหยียบ ร่างกายของดาบอดผ่านไปแต่ที่การแรงกล้าของดาบอดนั้นสําเร็จแล้วทําให้ธรรมะสโมโภทาน8ประการครบเลย น, นี่เป็นต้นนี่น่ยพระพุทธเจ้าที่บังกรเข้าไปใน ร, รมนัมมานครพร้อมด้วยพระขีนาสบ4ี่แสนรูปแล้วพระบริษัทก็ น, นึกถึงคําพยากรณ์แล้วก็ปลาโมดปีติเกิดบันเทิงใจประหนึ่งว่าความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในมือของเราแล้วลุกขึ้นจากที่นอนบนเปลือกตมนั่งคู่บาลังบนกองดอกไม้คิดว่า เราชํา น, นาญในฌานสําเร็จอภิญญาหรือสีทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุที่เสมอเราไม่มีเวอไม่มีใครมีอิทธิธรรมเสมอกับเราเราได้รับความสุขเห็นปานนี้เมื่อพวกวิสัตตเนี่ยเออเป็นผู้ประกอบพุทธคุณใหญ่นั่งขัดสมาทิสก็เลือกฟฟนบารมีทำแล้วมู่เทวดาทั้งหมื่นจักรวาลก็สาธกการน่ยท่านจะเป็นพุทธเจ้าแน่นอนท่านจะเป็นพุทธเจ้าแน่นอนผมได้ยินเสียงเทวดาสาธกการโอย้ยยิ่งปีติเกิด นีมทิที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นก็คือความหนาวก็เย็นลดลงความร้อนก็นระงับในมือโลกธาตุไร้เสียงไร้ความวุ่นวายพายุตอนนั้นหยุดไม่พัดน้ําก็หยุดไหลเลยนะดอกไม้บานทั้งกลางวันบนบกและในน้ําไม้เลื้อยและไม้ผลก็ออกผลกันทั้งหมดเลยตอนนั้นบูชาเลยรัตน์ต่างๆทั้งที่อยู่ในอากาศและพื้นเป็นดินก็เปล่งเปล่งแสงเรืองรองเลยเกิดดนตรีทิพย์บนสวรรค์ เทวดาเนี่ยบัรเลงกล่อมเลยว่านั้นเะเกิดดอกไม้นาน า, นานชนิดมีสีสวยกลิ่นหอมร่วงร่นจากท้องฟ้าหมู่เทพและพรมก็โปรยลงมาน้ำในมหาสมุทรก็ซัดถาโถมจากฝั่งมื่นโลกาาธาตุก็หวั่นไหวไฟนรกยังดับลงชั่วขณะเลยขนาดนั้นเห็นไหมเนี่ยน้ำในมหาสมุทรทีนี้ดวงอาทิตย์ก็ปราศจากบนทินไร้เมฆหมอกก็ บทบังดวงดาวเปล่งแสงเห็นชัดในเวลากลางวันเกิดน้ําผุดพุ่งขึ้นจากแผ่นดินน้ําผุดพุ่งขึ้นจากแผ่นดินเออไอเรื่องเนี้ยตอนสมัยพระเจ้าประสูติหรือตอนที่พระเจ้าตรัสรู้เนี้ยเขาบันทึกไว้ในจดหมายเหตุของจีนเนี้ยเออน้ำพุ่งขึ้นน้ําพุ่งขึ้นจริงๆด้วยเนี้ยเกิดแผ่นดินไหวในวันตรงกับเดือนปีพศที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้แม้แต่วันบริณีพานเหมือนกันแล้วก็มีแสงพุ่ง พุ่งเข้าสู่บนท้องฟ้านี่ยเขาบันทึกไว้เลยเนี่ยขนาดนั้นเกิดน้ําผุดขึ้นจากแผ่นดินนมูดาวพระเคาะหดาวดาวนักสัตว์ก็ดีมีแสงสุกสดใสขณะที่พระจันทร์อยู่ในวิสาขะเต็มดวงตอนนั้นน่ยสัตว์ที่อยู่ในโพรงเช่นงูพังพรจระเข้ในร่องน้ําทั้งหลายเหล่านี้ก็ออกจากที่อยู่ปรากฏตัวเห็นกันหมดสัตว์ทั้งหลายเกิดความยินดีทั่วหน้าไม่มีสัตว์ใดไม่ยินดีเลยโรคก็ระงับ ความหิวก็หายไปในขณะนั้นราคาสองสัตว์ทั้งหลายก็เบาบางโทสะโมหะก็เลือนรางว่างัาง้นชั่วคราวกิเลสทั้งปวง ก, ก็ปราศจากไปในวันนั้นขณะที่โพลิสัตว์ทั้งหลายนางคูบันลังโรคไร้ภัยไร้ความเบียดเบียนฝุ่นละอองต่างๆก็ไม่ฟุง้งเกิดกลิ่นทิพย์กลิ่นหอมชวยทั่วการกลิ่นที่ไม่น่าปราถนาก็หายไปเทวดาทั้งหมดเนี่ยทั้งเทวดาบ้างทั้งรูปภพมั่งก็ปรากฏเห็นกันทั้งหมดยกเว้นแต่รูปภพมั่สัตว์นรกมองเห็นกันและกันในโลกอะไรสิ่งกีดขวาง ไม่มีกำมุงกำแพงปิดกั้นแลยเปิดกันเห็นโล่งหมดหมูสัตว์หยุดการจุดติและตายชั่วขณะในขณะนั้นเนี่ยบุญขนาดนั้นเลยเนี่ยบุญขนาดนั้นมู่เทพประกาศพวกท่านจะประคับประคองความเพียรไว้ให้มั่นคงนะอย่าท้อถอยนะจงก้าวไปพวกเรารู้ชัดไว้แล้ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะเชื่อคํำพยากรณ์พุทธเจ้านี่แหละพระชินอาเจ้าทั้งหลายมีพระตํารัดไม่เป็นสองไม่ผิดพลาดแน่นอนไม่เป็นอโมคะ วจนะก็ ina, คือไม่ตรัสคําเท็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ตรัสคําไม่จริงเราเราได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนก้ อ, อนดินที่ถูกขว้างขึ้นไปบรอากาศย่อมตกลงสู่พื้นดินแม้ชั้นใดพระดํารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐก็เที่ยงแท้แน่นอนฉันั้นฉันนั้นธรรมกรว่าท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระุทธเจ้าท่านต้องได้เป็นอย่างแน่นอนเนี่ยนะีความตายย่อมมีแก่สรารพัดโดยแน่นอนแม้ชั้นใดพระดํารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดก็เที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้น จากนั้นสมเมทาดาบทไคควรพุทธการละกธรรมทำที่ทําให้เป็นพุทธเจ้าว่ามีอะไรบ้างหนอก็ได้เห็นทานนบ ร, รมีเป็นพุทธการละกธรรมข้อแรกว่าท่านก็พิจารณาว่าเราเลือกฟันนะพิจารณาพุทธการละกธรรมทำที่จะให้เป็นพุทธเจ้ามีอยู่ที่ไหนหนอเออทางโน้นมีไหมทางนี้อยู่ไหมข้างบนหรือข้างล่างพิจารณาทั่วทั้ง10ทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยค้นหาเท่าที่ธรรมธาตุเป็นไปอยู่ข้างนั้นเราได้เห็นทานนบ ร, รมีเป็นระดับแรก ว่าทานบารมีไม่ได้อยู่ที่อื่นนะอยู่ที่กระแสะชีวิตของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นทานบารมีเนี่ยเป็นทางใหญ่ที่ท่านคูรแสวงหาคุณว น, นยิ่งใหญ่ทั้งหลายในปางก่อนประพฤติสืบต่อกันมาท่านก็สอนตัวเองว่าท่านจงสมาทานทานบารมีไว้ให้ได้ก่อนหากท่านต้องการจะบรรลุสัมมาสัมพุริยานก็บอกว่าหม้อน้ําเนี่ยที่เต็มด้วยน้ําอะไรก็ตามเมื่อถูกความลงน้ําย่อมไหลออกหมดไม่ขังอยู่ในหม้อนั้นแม้ชั้นใดท่าน จงเป็นอย่างนั้นเมื่อเห็นยาจกคือผู้ขอทั้งหลายแล้วไม่ว่าจะเป็นคนชั้นต่ำปานกลางหรือชั้นสูงหมายถึงผู้ขอที่ประพฤติดีเลิศหน้าเลื่อมใสชั้นสูงหรือประพฤติที่ธรรมดาก็แล้วแต่ท่านจงให้แก่ทุกคนที่ขอเหมือนหม้อน้ําถูกความลงเช่นั้นโอ้โหนี่คือทําตัวเหมือนหม้อน้ําอะหม้อน้ํามีน้ำํำเดียวความลงเนี่ยน้ําต้องไหลออกหมดไหมไหลออกหมดชั้นใด ฉะนั้นมีของจงให้โดยไม่เหลือให้ให้หมดเนื้อหมดตัวไม่มีใครมาขอจงให้จงสละถ้าท่านทำได้อย่างนี้แล้วแล้วท่านจะต้องได้เป็นพทธเจ้าแน่นอนดันถถ้าท่านกล้าสละขนาดนั้นกล้าไหมโมกล้าไหมไม่กล้าใช่ไหมเนี่ยพุทธการะธรรมบารมีทั้งสิบเหล่านี้ไม่ใช่อยู่แล้วเท่านี้ ก็เลือกพันพิจารณาต่อไปก็เห็นศีลบาลมีในระดับที่สองกล่าวโดยสรุปใน ต, ตอนนี้ก็คือทรงพิจารณาทานบาลมีศินบาลมีเนคขมารปัญญาวิริยะคันติสัจจะที่ฐานะเมตตาเบคาเป็นพุทธการกธรรมและสมาทานกําหนดหมายที่จะพื้นปฏิบัติธรรมเหล่านั้นอย่างเคร่งครัดพระโพิสัตก็แบ่งบาลมีออกมาเป็น3ระดับเป็นบาลมีระดับต้นอุ ป, ปบาลมีระดับที่สองแล้วก็ปรมัตถบาลมีระดับสูงสุดนะก็คูณ10บคูณสก็เป็น 30ทุวน เ, นเาเรียกว่าสมติงสะปารมีสมติงสะบารมีก็คือว่าบารมี30ทักน์แล้วสมเยทาดาบทก็พิจารณาบารมีพุทธกาลกรรมอยู่นั้นน่ด้วยเดชแห่งธรรมเกิดแผ่นดินไหวประชาชนใน ร, รัมณนครไม่อาจจะยืนทรงตัวอยู่ได้บางคนก็ล้มสลบไปเนี่ยภาชนะในน้ำทั้งหลายเช่นหม้อน้ำตุ่มน้ำ กลิ้งกระทบกันแต่ภาชนะทำดินเผาเป็นจุนเป็นต้นมหาชนไปฝ้าพระเจ้าต่างก็หวาดกลัวกลับทูลว่าเอ้อจะเกิดเกิดร้ายอะไรเกิดขึ้นไหมพวกท่านยงเบาใจเถิดอย่าได้กลัวไปเลยไม่ได้เกิดอันตรายอะไรหรอกวันนี้เราพยากรณ์ผูดใดว่าจะได้เป็นพระเจ้าในโลกขณะนี้คนผู้นั้นกําลังพิจารณาธรรมเก่าในครั้งก่อนๆที่พระชินเจ้าถือปฏิบัติมาท่านผู้นั้นกําลังพิจารณาธรรมมันเป็นพุทธภูมินะบารมีธรรมเนี่ยโดยไม่เหลือด้วยเหตุนเนี่ยแผ่นดินน่ย พร้อมทั้งมื่โลกธาตุพร้อมทั้งเทวโลกก็หวั่นไหวหมู่ชนได้ฟังทำแล้วก็ปีใจสงบหยุดตึกแตกตื่นตา่างพากันไปกราบไหว้สุเมธะอีกทั้งหมู่มนุษย์เทวดาต่างก็ถือดอกไม้ไปบูชาประกาศว่าความปรารถนาของท่านยิ่งใหญ่นะักขอท่านสมปรารถนานั้นเถิดเสนียด จ, จันรไรทั้งปวงความโศกโรคอันตรายทั้งหลายจงอย่ามีแก่ท่านขอท่านจงสมผัสโพธิญาณอันสูงสุดโดยเร็วพันเธอโอ้เงี้เนี่ยประชาชนให้พรเลยนะ สุเมธาดาบทก็สมาทานบารมีสิประการแล้วกลับไปยังป่าใหญ่เพื่อบำเพ็ญธรรมเหล่านั้นให้บริบูรณ์อัตถะถาก็ล่าว่าพระโพาาธิสัตว์คิดว่าจะบำเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์จะเป็นพระพุทธเจ้านี้อีกเสี่สงไขแสนกลับก็ที่ฐานความเพียรมั่นและเหาะไปสู่ป่าหิมพานนี่นะเนี่ยลักษณะอย่างนี้นอันนี้เล่าโดยย่อเล่าโดยย่อถึงพระโพาาธิสัตว์ดันั้นพระโพาาธิสัตว์เนี่ยถ้าในมองในมุมนี้ก็คือว่า เป็นผู้ยอดเยี่ยมนะีพระมหาสัตว์พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมประมะประมะเนี่ยทุกยอดเยี่ยมกว่าสัตว์อื่นๆเพราะประกอบไปด้วยคุณนะพิเศษคุณของท่านก็คือทานศีลเนคข ม, มารปัญญาวิริยะคันติสาจาัจจะทิฏฐานเมตตาและเบิกาถ้าใครทําอย่างยอดเยี่ยมได้คนคนนั้นก็เป็นโพธิสัตว์บารมีได้แก่การให้ทานเป็นต้นเนี่ยคำว่าโพธิสัตตร์เนี่ยเป็นผู้บําเพ็ญบารมีนะเป็นผู้รักษาคุณทั้งหลาย คือรักษาทานบารมีเข้าไว้ในตนศีลบารมีไว้ในตนเนคขมว์ปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานะแล้วก็เมตตาบักเบคาบารมีไว้ในตนมีความเป็นเลิอดสัตว์นั้นจึงเชื่อมหาสัตว์บุตรใดบำเพ็ญบารมีดังกล่าวบุตรนั้นก็เรียกมหาบุตรแล้วทีนี้พระโพธิสัตว์เน้นมาจะคําว่าโพธิสัตโตได้แก่บุคคลผู้ข้องอยู่ในยานนะคําว่าข้องอยู่ในยานก็คือเป็นเชื่อว่าโพธิก็คือเป็นคําเรียกท่านผู้ที่ได้ตัดสู้เป็นวิทยา หรือเป็นคําที่พระเจ้าใช้เรียกพระองค์เมื่อก่อนตัดสู้เช่นอะหัมปิอันภิสัมพุทโธโพธิสัตวโตวาสมาโนก็แปลว่าแม้เราเมื่อยังไม่ได้ตัดสู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่งเงี้ยนีสัตว์ผู้ตัดสู้ญาณนะคือโพธิเชื่อโบธิสัตว์เพราะเป็นผู้มียาณคือปัญญาจึงชื่อว่าบัณฑิตสัตว์นั้นเป็นบัณฑิตนับแต่มีอภินิหารก็คือบา ร, รมีที่สั่งสมแล้วเป็นอภินิหาร แทบมูลบาทของพระธิปังกรเนี่ยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ผู้เขาจึงเชื่อโพธิสัตว์หรือยอย่างหนึ่งครับว่าโพธิสัตว์เนี่ยเพราะเป็นสัตว์ผู้เบิกบานก็ได้บําเพ็ญบารมีแล้วจะเบิกบานด้วยหาอันตรายมิได้อย่างแน่นอนฉะนั้นเราถ้าบำเพ็ญบารมีไปแล้วเนี่ยบารมีทั้งหลายจะคุ้มครองป้องกันอันตรายแน่นอนเพราะได้รับพยากรณ์ในสํานักพุทธเจ้าทั้งหลายเปรียบเสมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นจากน้ํา แกได้ที่แล้วก็จักบานเมื่อสัมผัสแสงอาทิตย์อย่างแน่นอนท่านจึงเปรียบเหมือนดอกบัวที่บานนี่แหละอั น, นึ่งสัตว์ผู้ปรารถนาโพธิก็คือมรรคยานทั้งสี่โซดาปฏิมาศกาตา ค, า, ค, า, า, คายมรรคอาจนาคายมรรคอาจธรรมทั้งปฏิบัติอยู่เพื่อมรรคนั้นเหตุนั้นน่ะผู้ที่ยังติดอยู่ในโพธิจึงเชื่อว่าโพธิสัตว์นี่แหละห้องอยู่ที น, นี้ในโพธิสัตว์มีสมประเภทเนาะอัตรกระถาท่านก็จําแนกบอกว่า จำแนกความต่างกันของความปรารถนานีในเวลาสั่งสมคุณความดีคือบารมีทั้งหลายเนี่เป็นองค์ประกอบในการสําเร็จโพธิญาณเนี่ยระยะเวลาแหการบําเพ็ญอภิิหารอํานาจแห่งบารมีที่ยิ่งใหญ่นี่นะหนึ่งมหาโพธิสัตว์คือบุคคลที่แสวงหาสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้หมายถึงสัมมาสัมพุทธโพธิสัตว์ซึ่งท่านเรียกผู้ปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณว่ามหาโพธิสัตว์เป็นผู้บำเพ็ญบารมีทั้งหลายเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จำแนกเป็น มหมาโพิษัสตร์ประเภทก็คือพระบริษัสตรผู้ยิ่งด้วยปัญญาอันนี้ตัดสรู้แล้วเรียกว่าปัญญาทิกะพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาทิกาต้องสั่งสมบา ร, รมีอย่างต่ำสุดเนะืเป็นเวลาเสียสงไข่กับอีกแสนกับนี่เป็นเขาเรียกว่าปัญญาธิกะพระพุทธเจ้าเป็นประเภทปัญญาเร็ว แท้จริงเพราะบริษัทผู้มีเป็นปัญญาทิกะย่อมมีศรัทธาอ่อนมีปัญญากล้าแข็งด้วยเหตุนั้นบารมีจึงบริบูรณ์ในเวลาไม่นานนะเพราะความกระดกล้าและความละเอียดอ่อนอย่างความเป็นผู้ฉลาดในอวัยนี่แหละอันนี้จึงใช้เวลาน้อยหน่อยประการที่2เพราะบริษัทที่ยิ่งด้วยศรัทธามีความเชื่อมั่นสูงคือตัดสู้เรียกว่าศรัทธาที่กะพทธเจ้ า, านี้ต้องสั่งสมบารมีอย่างกลางนะก็คือแปดผสงขายกับอีแสนกับเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเท่าเดิเนี ผู้ที่เป็นสัทธาธิกาเนี่ยย่อมมีปัญญาปานกลางด้วยเหตุนั้นบารมีของพพธิสัตผู้เป็นสรัทธาธิกาเหล่านี้จึงถึงความบริบูรณ์ไม่เร็วและไม่ช้าจนเกินไปนี่นะประการที่3าพระโพธิสัต ท, ที่ยิ่งด้วยความเพียรก็เรียกว่าพระวิริยาธิกาพู้รุตเจ้าอันนี้ต้องสั่งสมโพธิสมภารเป็นเวลาถึง16อสงไข์กับอีกแสนกับ ส่วนผู้ที่เป็นวิทยาทิศะย่อมมีปัญญาไม่มากเท่าไร่เปรียบเทียบกับ2ประเภทนั้นด้วยเหตุนั้นน่ะบรารมีของพระโพธิสัตผู้เป็นวิทยาธิศะนั้นจึงต้องมีความบริบูรณ์ในเวลาอันยาวนานโดยงี้เป็นต้นก็มีสาประเภทปัญญาทิศะสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาทิศะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็วิทยาทิศะสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งด้วยศรัทธาเอ่ยยิ่งด้วยปัญญานีเสียสองข่ายเสียสองข่ายถ้านับแบบประเภทที่ ยังไม่ได้รับพยากรด้วยนะที่อธิษฐานด้วยปรารถนาด้วยใจด้ย ด, ย, ดยใจก่อนคิดนึกด้วยใจก่อนแล้วก็ด้วยกายกวาจารวมเมษษ็เสร็จก็20อสงค์ไขมีปัญญาธิฏกเป็น20่ไปแต่ถ้าหากว่าศรัทธาธิฏกก็เป็นส0อสง์ไขถ้าวิทยาธิฏกก็80อสสง์ไข ดันปัญญาที่กาผู้ได้เจ้าศรัทธาที่กาผู้ได้เจ้าวิทยาธิ่กาผู้ได้เจ้าก็มีเสียสงข่กับแสนกับศรัทธาธิกาก็แปดอสงข่กับแสนกับวิทยาธีกาก็16ประสงข่กับแสนกับดังนี้ก็แยกกันออกไปหรืออาจารย์กลุ่มหนึ่งตามที่อาัจฉริยะเราไว้เห็นว่าพระมหาสัตว์เนี่ยนะหรือมหาโพธิสัตว์เนี่ยยังแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยอำนาจถึงคุณสมบัติ ขนาดตั้งจิตปราถนาเป็นพระเจ้าต่อพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนั้นเรียกว่าในขณะแห่งอภินิหารคือการตั้งความปราถนาหนึ่งคืออุคติตันยูโพธิสัตว์นี้เป็นโพธิสัตว์ที่รู้เร็วคือในอัตภาพที่ตั้งปราถนาต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเช่นสุเมธดาบทเนี่ยอยู่ต่อหน้าพระเจ้าที่บังกรถ้าพระโพธิสัตว์นั้นต้องต้องการเพียงสาวกโพธิญาณหรือเป็นสาวกของพระเจ้าพระองค์นั้นเมื่อได้ฟังทำ ไม่จบถึงบาทที่3แห่ง4บาทคาถาคือฟังไม่ถึง1คาถาก็าจะบรรลุเป็นพระสารถถึงคราวเป็นอภินญา6บ้างปฏิสัมพิทายสทันทีแต่ไม่ปรารถนาเพราะต้องการเป็นพระเจ้าเนี่ยอุคติตันยูนี่เร็วมากฟังคาถาไม่ทันจบ4บาทหรอกสบาทคาถาบรรลุเลยส่วนวิปจิตตันยูโพธิศัสตร์นี่เป็นโพธิศัสตร์ที่ได้ฟังขยายความได้แก่ในอัตภาพที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระเจ้านั้น ถ้าต้องการจะเป็นสาวกโพธิยาณ น, นะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยหรอเป็นสาวกพระุทธเจ้าพราะองค์นั้นนะพอได้ฟังธรรมยังไม่จบบาทที่4ก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ถึงพร้อมด้วยพิญญาหและปฏิสมัมพิทายานสี่ได้ทันทีแต่ไม่ปรารถนานี้ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เกี่ยวกับวิปจันทร์วิ ป, จ, วปจิตัญยูโพธิสัตว์ท่านเนยยะโพธิสัตวนี่โพริสัต ท, ที่จะเมื่อจะได้ฟังการขยายความจบสิ้นแล้วได้แก่อัตภาพตั้งความป ร, รารถนาเป็นพระเจ้า ถ้าต้องการเพียงสาวกโพธิยานนีคือเป็นสาวกพระพุทธเจ้าเนี่ยฟังธรรมจบ4บาทรคาถาสามารถบรรลุเป็นพนาาระนันท์บรรลุอภิน ญ, ญา6ปฏิสามพิทายาน4ีได้ทันทีแต่ไม่ต้องการอันนี้เขาเรียกว่าอุค ต, ติตันยูโพธิศัสตร์นี่ฟังธรรมบาทที่3ยังไม่จบบรรลุแล้ววิปจิตันยูโพธิศัสตร์ฟังธรรมบาทที่4ยังไม่จบก็บรรลุในญาติบุคคลก็ฟังธรรมจบบาทครบทั้ง4บาทได้บรรลุ อย่างนี้เป็นต้น น, นี่นี่คือสัมมาสัมพุท ธ, ธะส่วนปัจเจกพุท ธ, ธะนี่หมายถึงพระพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบา ร, รมีทั้งหลายเพื่อความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเรียกว่าบำ เ, เพ็ญปัจเจกโพธิสมพานก็เรียกนะเพื่อความเป็นพระปัจเจกพุท ธ, ธ, ธเจ้าปัจเจกโพธิเนี่ยนี่ตัดสรู้ได้โดยตัวเองเหมือนกันเป็นการตัดสรู้เฉพาะตัวไม่ได้ตัดสรู้ตามใครได้ได้ตัสรู้ธรรมะด้วยสยามผู้ยานเองงั้นปัจเจกโพธิสัตว์เนี่ย ไม่เป็นอย่างนั้นคือไม่ได้แตกต่างในระยะเวลาบําเพ็ญบา ร, รมีสประเภทนะเหมือนพระจ้าพ่อปฏิษัทย์ อ, อท่านบําเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยประมาณ2ประมาณ2อสงไขน่นั่นแหละไม่ถึง3ไม่ถึง3อสงไข่ก็สามารถบรรลุแต่ว่าไม่สามารถจะตั้งหลักการไนดะ้บำเพ็ญบา ร, รมีนานไหมประเภทปัญญาที่กลก็2อสงไข่กับแสนกับ สัทธาธิกะและวิญาธิกะก็บำเพ็ญบา ร, รมีเกิน2อสองไขยกับแสนกับแต่ไม่ถึง3อาสอสงไขยในกลุ่มนี้นะนี่เขาเรียกพระปเจกับพุทธเจ้าอันนี้เมื่อบรรลุแล้วบรรลุเองไม่ต้องฟังธรรมจากคนอื่นเห็นใบไม้ร่วงปุมบนึงสามารถพิจารณาบรรลุได้กำลังของปัญญาสูงสุดจริงๆแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยไม่สามารถจะตั้งหลักการพระศาสานาไม่สามารถตั้งชุมชนแห่งสังฆะ ไม่สามารถโปรดให้คนอื่นตัดสรุปตามได้แต่รู้ได้เฉพาะตนเองได้นี่เป็นพระปฏิเจ้าก็จะเกิดขึ้นในสมัยที่ไม่มีพระเจ้าบัติเกิดขึ้นนะส่วนสาวกโพธิสัทก็หมายถึงพระบริสัทผู้เป็นบารมีทั้งหลายเพื่อความเป็นภาษาวกของพระเจ้าสาวกกะสาวกกะสาวกะศัพท์เนี่ยพราะเกิดในที่สุดแห่งการฟังธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาฉะนั้นการตัดสรู้สัจธรรมของภาษาวกทั้งหลายจิงที่ว่าสาวกสำโพธิ สาวกโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญอภิธารเพื่อความเป็นอัครสาวกก็ต้องบำเพ็ญบารมีถึง1นสงขัยแสนกับนืกับอีกแสนกับผู้ต้องการเป็นมหาสาวกก็บำเพ็ญบารมีมาแสนกับส่วนผู้ต้องการบรรลุเป็นพุทธมารดาพุทธบิดาพุทธอุถากและพุทธชินโอรสทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็1น 0,000 สนกับเหมือนกันส่วนสาวกสาวิกาทั้งหลายเช่นเขมาทิอุบนวรณาเป็นต้นก็บำเพ็ญหนึ่0 0สนกับเริ่มในสมัยพระพุทธเจ้าพระปทุมุตระเป็นต้นเหล่านี้ พระโพธิสัตว์ก็มีอัครสาวกอันนี้บ่มเป็นบา ร, รมีหนึ่งสองขัยกับอีกแสนกับมหาสาวกรวมทั้งที่เป็นเอตะทคฆะาสาวิกาด้วยนะพุทธมารดาพุทธบิดาพุทธอุปถากระรหัสทั้งหลายอุบาสกผู้เป็นเอตะทคฆะวาสิกาที่เป็นเอตะทคฆะกลุ่มเหล่านี้เป็นแสนกับทั้งนั้นนะ่ยถ้าต่ำกว่า น, นั้นก็น้อยลงมานะพระโพธิสัตว์เนี่ยทั้ง3นี้ต่างอาศัยเครื่องบ่มเครื่องบ่มในที่นั้นก็คือบา ร, รมีสินี่แหละ ฐานบา ร, รมีศีลเนคข ม, มารปัญญาวิริยะคันติสาจาัจจะทิฏฐานเมตตาและเบิกขาเนี่ยย่อมก่อตัวให้เจริญอย่างแก่กล้าอย่างพุทธญาณให้บริบูรณ์โดยลําดับชั้นใดปัญญาบา ร, รมีของพระประเอกพุทธเจ้าและกาษาวกคริสัตยอันบา ร, รมีทั้งหลายมีทานเป็นต้นบํารุงเลี้ยงแล้วก็ย่อมก่อตัวให้เจริญแก่กล้าย่างปัจเจกภพทิฏยานบ้างสาวกพุิธญาณให้บริบูรณ์ตามทั้งคนโดยลําดับ ส่วนการตัดสรูของโพธิสัตว์าประเภทการตัดสลูอริยสตรสีด้วยการเจริญโพธิปักษ์ยธธรรมสามเประการดังที่กล่าวก็ว่ากันไปนั้นการตัดสรูเนี่ยก็คือตรงเนี้ยพูดถึงในเรื่องของโพธิสัตว์ทีนี้สิ่งที่เราต้องมาทําความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณสมบัตินะีคุณสมบัติของการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไกลยิงหมดเวลาเลว ควรจะสมบัติพูดจะได้เป็นพ ร, ระเจ้าสมความปรารถนาหรือไม่เนี่ยนั้นพูดถึงในเ ร, เร esterol, ื s <S ่องของอัทธอัทธะธรรมสมโอทานการประชุมพร้อมกันของธรรมะแประการเนี่ยธรรมะสมโอทานนั่นเองทำอัทธะธรรมสมโอทานคือการประชุมของธรรม8ประการธรรมะสมโอทานก็เขียนอย่างนี้พระโพธิสัตว์ระบุว่านิยตตาโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ต่อการจะได้ตัดสู้เนี่ยประการแรกก็คือว่า1มนุษย์สัตว์ต่างความเป็นมนุษย์ ก็คือว่าท่านที่ปรารถนาจะเป็นพระเจ้าในชาตินั้นจะต้องมีอัตภาพเป็นมนุษย์มีสติปัญญาติดตัวมาแต่การเกิดเท่านั้นหากไม่ใช่มนุษย์ความปรารถนาจะไม่สําเร็จความปรารถนาของนาคของครุฑของเทวดาแม้แต่เป็นเท้าสากา่ะก็ไม่สำเร็จโู้มนุษย์จะประเสริฐตรงนี้ที่พวกเราได้นอัตภาพนี้สองลิงค่าสัมปติก็ถึงพร้อมด้วยเพศเออถ้าปรารถนาพุทธภูมิในชาตินั้นน น, นอกจากต้องมีอัตภาพเป็นมนุษย์แล้วยังต้องเป็นบุรุษเพศด้วย ปราถนาพุทธภูมิสมบูร็จให้แก่ไม่มีแก่สตินิเพศไม่มีแก่กระเทยไม่ได้และคนคนสองเพศอุปโตภยัญชนะ ก, ก็ไม่ได้ชนะกกลักษณาไม่สมบูรณ์เป็นอาถานะประการที่3ก็เหตุเหตุก็ความสมบูรณ์ด้วยเหตุก็คือปราถนาพุทธภูมินอกจากจะต้องเป็นเพศชายยังต้องมีคุณสมบัติก็คือบารมีสมบูรณ์พร้อมที่จะบรรลุปเป็นพระอรหันในชาตินั้น คือกล่าวให้ชัดก็คืออย่างสุเมธาดาบดเนี่ยถึงพร้อมได้อุปนิสัยอย่งการที่ได้บรรลุต่อหน้าพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยมีทั้งฌานสมาบัติมีทั้งอภิญญาเนี่ยเหตุเงี้ยเป็นผู้บริบูรณ์อย่างเงี้ ย, ยแต่ท่านมวประการที่4ก็สัทธารทัตสนังการพบเห็นพระบรมศาสดาดันั้นคนที่ปรารถนาพุทธภูมิก็จะต้องปรารถนาพุทธภูมิในขณะพบเห็นพระเจ้าปรารถนาในเมื่อพระเจ้าเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพพานไปแล้วไม่สําเร็จ ปาฏิาริย์ในสำแนักของพระปัจเจกก็ไม่ได้หรือในสำแหนักของพระสาวกก็ไม่สําเร็จงั้นจะต้องต่อหน้าพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยนะประการที่5ก็ปรับพระชาคือการออกบวชการออกบวชต้องอยู่ในเพศของอนาคาริจะเป็นนักบวชภายในภายนอกพุทธศาสนาได้นีความเป็นอนาคาริกความเป็นผู้ออกจากเรือนพ้นจากความเป็นกหัลก็สมควรในาศาสนา และคุณสมบัติอันนี้ก็ถึงพร้อมได้สมาบัติ8อแต่พิญญา5ถ้าไม่มีคุณสมบัตเหล่านี้ก็ ก, ก, ก็ไม่ได้ตั้งความปรารถนาไม่ได้อธิการโรก็คือการกระทาอันยิ่งแม้จะถึงพร้อมด้วยคุณสมบัตอื่นก็จะต้องสามารถกล้าสลับชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาได้ว่างั้นเถอะอย่างที่ท่านสมีธาุอธิการละก็การกระทาที่ยิ่งคือการบริจาคสามารถบริจาคชีวิตได้ ฉันทตาก็คือเป็นผู้มีฉันทะปรารถนาพุทูมิแม้จะมีคุณสมบัติพร้อมครบเจประการแล้วยังไม่พอจะต้องเป็นผู้มีใจประกอบไปด้วยฉันทะความรักความพอใจอย่างแรงกล้ามีอุตสาหะความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคน้อยใหญ่ทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่พุทธกาลกระทำทั้งหลายแม้จักรวาลทั้งหมดจะเต็มไปด้วยน้ําก็ไม่หวาดหวันในการที่จะไหว้ในการที่จะไหวาจากฝั่งนี้ไปถึงหวางโน้โน้ก็เจอเพราะงั no, ้น no, no. แม้จะแม้จะอยู่ในนรกยาวนานถึงสี่สงไข่ก็กล้าถ้าถามบอกว่านูน่นนอะสัพพัญยตยานอยู่นูน่นเนอะก้นบึ้งเอเวจีมหารกลกกาท่านกาดำดิ่งลงไปเอาไหมบอกว่ากล้าเนี่ยกล้าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนั้นจิตใจจะต้องขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยนี่ต่บริษัทเป็นไปลักษณะอย่างนี้พอจะมองเห็นนะต้องเป็นมนุษย์ถึงพร้อมได้เพศมีการเห็นท่านผู้ประหาชจะจากลาค้าคือได้เห็นพระเจ้า แล้วก็มีการกระทำมันยิ่งมีความพรอใจอย่างแรงกล้านะเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละทีนี้ฐานหน้าที่แน่นอนละข้อแรกนี่ตาโพธิสัตว์เนี่ยคนที่ได้อัตสโมทาน8ประการได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้วท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานได้ร้อยโกฎกับ1จะไม่เกิดในเวจีเห็น ไ, ไหมเนี่ยพอได้รับพยากรแล้วจะไม่เกิดในเวจี A G. จะไม่เกิดในโรกการตริยาณในโรกนรกที่เป็นอยู่ริมขอบจักรวาลก็จะไม่ไปเกิด ไม่เกิดเป็นนิชามมาตังหีกระเพดเปรดที่ถูกความอยากเผากายอยู่ตลอดเวลามีเปรดประเภทนึงเพื่เป็นทรมานมาไม่เกิดเป็นขุปาสิกกระเพดเปรดที่กระหายน้ําอยู่ตลอดแม้จะได้น้ําก็มีไม่อาจดื่มได้ไม่เกิดเป็นกาลันชิกาอสูนอสูนที่มีช่องปากเท่ารูเข็มจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนี้ที่มีปากเท่ารูเข็มเนี่ยนะพวกดาพ่อดาแม่เนี่ยบางทีจัดอยู่ในพวกเปรดที่เรียกว่ากาและกันชกาเปรดด้วย ไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีขนาดเล็กไม่เล็กกว่านกกระจอกไม่ใหญ่กว่าช้างแม้เป็นมนุษย์ก็จะไม่เป็นคนตาบอดมาแต่กำเนิดไม่เป็นคนหูหนวกไม่เป็นคนใบ้ไม่ก็เป็นคนพิการด้านอื่นๆนอกจากหูตาบอดหูหนวกแล้วเนีไม่เป็นผู้หญิงจะไม่เกิดเป็นผู้หญิงแล้วไม่เป็นคน2เพศเคยเห็นคน2เพศไหมมีเอาไว้ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่ในคนคนเดียวกันอยู่ไม่เป็น ไม่เป็นกระเทยบันดอคยังเป็นไหมนี่ที่นั่งเยอะเป็นไหมเป็นกระเทยปะไม่เป็นนะไม่กระทำอันตริยกรรมอนันตริยกรรมไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอทหารทำรายพุทธเจ้าให้หอบโลหิตไม่ทำสังฆเภทมีโคจราบริสุทธิ์ในภพที่ตนเกิดก็คือไม่เข้าไปคล้องแววกับบาปทุจริตไม่คล้องแวะกับมิจฉาทิฏฐิก็คือไม่มีความมิจนผิดเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมด้วย ไม่เกิดในสัญญาภพคือภพที่มีรูปที่ไม่มีจิตวิญญาณเนี่ยเป็นภพที่มีอายุยืนไม่อาจจะสร้างบา ร, รมีได้ไม่เกิดเป็นเทพคือรู ป, ปรภพเนี่ยชั้นสุดท่าวาสเพราะใครจะไปเกิดชั้นนั้นได้ต้องเป็นผ้านาคาเป็นสัตว์บุรุษพูดน้อบไปในเนคขม่อย่างเดียวไม่ผูกพันในภพน้อยและภพใหญ่เกิดในภพนไหนน้อบจะบวชอย่างเดียวเทน้นอะน้อบจะเป็นบา ร, รมีประพฤติบาเพ็ญแต่โลกาถาจริยาเคืออนุเคราะห์ผู้อื่นก่อนเสมอก็มุ่งหน้านบําเพ็ญบารมีทั้งหลายด้วย เนี่ยแต่ในสุตานิบาตก็กล่าวไว้อย่างหนึ่งนะไม่เหมือนกันเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ย่อมไม่เกิดเป็นคนตาบอดแต่กําเนิดไม่เปิดจนคนหูวหนวกไม่เป็นคนบ้าไม่เป็นคนใบ้าไม่เปนคนแค่คนแค่แค่ตัวเล็กๆไปเรื่อไม่เป็นคนชาติมิระคากลุ่มคนป่าคนเถื่อนไม่เกิดไปในท้องของคนขอทานไม่เกิดคนทาสีเนี่ยไม่เป็นเนี่ยตามิชาทิฏฐิเห็นผิดนี่นะไม่เป็นคนกลับเพศคนกลับเพศคือบางทีก็เป็นหญิงบางทีก็เป็นชายไงก็เรียกกราบเพศ เป็นไหมหนูเป็นไหมเป็นด้วยเป็นแล้วก็ไม่ทําอันตรายกรรมบอกแล้วไม่เป็นคนโรคเรื้อนเอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มไกลหมวเป็นไหมเป็นโรคเรื้อนว่าเมืม่อเกิดในกําเนิดสตัตว์ได้ชานย่อมมีกายไม่เล็กกว่านกกระจาบมีอัตาภาพไม่ใหญ่กว่าช้างไม่เกิดในกําเนิดขุ ป, ป, ปาสิกกระเพดลาวันนี้ชามาตินเกรเปรดไม่เกิดเป็นสัตว์จะพวกการันตีการศูนย์ป า, ากเทาลูเข็มไม่เกิดในเวจีแล้วก็ไม่เกิดในโลการตริยานนรก ไม่เกิดเป็นเทวดาในการมาวจรสวรรค์เออเมือ่อเมื่อเกิดในเป็นเทวดาในการมวจรสวรรค์ก็ไม่เกิดเป็นเทวดาที่นับเข้าในพวกเทวดาหมู่มานเนีเมื่อเกิดเป็นรูปพรหมรูปในรูปปาวจรก็ไม่เกิดในอาสาัญอาสัญญสตพรหมไม่เกิดในภพสุดท้าววาดไม่เกิดในรูปว่ากันเถอะเน่นองเนี่ยมีสองคำพีนนะที่กล่าวความต่างกันหลังจากไปรับพยากรแล้วเนี่ยจะไม่ไปเกิดเป็นอย่างนี้ อาถรนะอีกอย่างหนึ <ük Erfahrung S 1> uh ่งก็คือสิ่งที่สตรีเป็นไปไม่ได้ห้าอย่างก็คือผู้หญิงเนี่ยเป็นพระฐานทศสามาสมุทรเจ้าไม่ได้ผู้หญิงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้ผู้หญิงเป็นท้าสกะะคือเป็นพระอิน์ไม่ได้พระอินเออผู้หญิงเนี่ยเป็นมารเป็นจอมมารนี่ไม่ได้พระอินทก็เป็นเท้ามหาพรหมไม่ได้เนี่ยเป็นพรหมธรรมดาได้เออนี่เป็นคุณผู้หญิงเป็นอย่างนี้นะอาถารนะเนี่ยเป็นผู้หญิงก็มีมีมีจุดเสียหายหลายจุดเหมือนกันนะนี นี่เป็นตน้นเดี๋ยวอตอนบ่ายๆเรามาคุยกันในเรื่องของพุทธการละกฐธรรมก็ได้พูดเรื่องบา ร, รมีการเพ็นบา ร, รมีนะดีไหมอเอาวันนี้สมควรเก็บเวลานะ